ปรโรกตตมิงปฏิฐาโหนติปานินันตีวันนี้บรรดาท่านคณะศรัทธาทั้งหลายต่างก็ได้พร้อมใจศรัทธาบริจาคสมบัติอันมีค่าของตนซึ่งเกิดจาก น้ำพักน้ำแรงได้มาฝากไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อให้เป็นมูล น, นิธิหมายถึงขุมแห่งทรัพย์ภายในได้แจ่บุญกุศลที่ได้ย่างลงไว้ในพระพุทธศาสนา ต่างก็ได้มีศรัทธาทั้งบ้านใกล้บ้านไกลได้ยินไปถึงไหนว่าข่าวกุศลชุนทานต่างก็ได้มาบริจาคด้วยน้ำใสใจศรัทธาตัวให้เป็นประโยชน์แก่ตนทั้งในโลกนี้ด้วยโลกหน้าด้วย นับว่าเราทั้งหลายไม่ได้เสียกําลังจึงได้ก่อล่างสร้างกิจการงานที่เป็นไปด้วยความดีความชอบเมื่อได้มาแล้วมากน้อยมีความยินดีที่จะให้ทาน ในพระพุทธาศาสนาอำนาจแทงทานการกุศลที่บรรดาท่านทั้งหลายได้บริจาคที่ล่วงแล้วมากวาดีที่ได้บริจาคในวันนี้กวดีเป็นขุมทรัพย์อันสำคัญไม่มีโจรมารอันใดจะสามารถ ยืแยงของเราไปได้แม้เราตายไปแล้วจะจำได้หรือไม่ได้ก็าตามบุญกุศลที่เราทำแล้วก็คือของเรานั่นเองท่านกล่าวไว้ว่าอาซาทะระมันเยสังอะโจรหะระโนนิธิดังนี้บุญกุศลที่เราสร้างไว้นี้ไม่เป็นสาธารนณะแก่ ใครๆทั้งนั้นที่จะมาหยิบยกเอาสมบัติของเราที่สร้างไว้ไม่เหมือนสาลาในถนนตีแพ่งซึ่งใครๆมาจากที่ไหนก็เข้าพักพาอาศัยหรือหลับหลับนอนได้แม้โจรมารก็ไม่สามารถที่จะฉกหลักหรือขมโมยปล้นเอาของเราไปได้แม้แต่น้อย เมื่อเราได้บริจาคลงไว้แล้วเป็นอันว่าเป็นของเราไม่ต้องหาใครมารักษาเหมือนอย่างสมบัติภายนอกในทมลงมากลงน้อยทมลงไวไวในวันใดเดือนใดปีใดยอมจะเป็นสมบัติติด ตามตัวของเราไปอยู่เช่นนั้นมีท่านเรียกว่ามิตรที่พึ่งเป็นพึ่งตายของเราแท้สภาวะทั้งหลายในโลกนี้เป็นของไม่เที่ยงเมื่อเรามาสู่ในโลกนี้แล้วโลกนี้พึงทราบว่าโลกไม่เที่ยงตัวของเราก็กลายเป็นคนไม่เที่ยงไปเช่นเดียวกัน สภาวะทั่วทวไปทั้งนอกจากกายของเราและในกายของเรามีความความเปลี่ยนแปลงหรือแปรกวนไปอยู่เสมอทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนไม่มีชิ้นใดที่จะอยู่ค้ำฟ้าได้มีความแปรสภาพประจําตนอยู่เช่นนั้นเมื่อบรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายได้มาพินิจพิจารณาถึงสภาวะธรรมซึ่งเป็นของไม่แน่นอน ที่จะต้องแตกสลายไปในวันใดวันหนึ่งทั้งข้างนอกทั้งข้างในคือตัวของเราเองเช่นนี้แล้วจึงได้รีบวิ่งเต้นขวันขวายกอร่างสร้างบุญกุศลเพื่อให้เป็นผลประโยชน์แก่ตนเสียในชาตินี้หรือในวันนี้ตามกระทู้าษิตที่ได้ยกขึ้นไว้ณนะเบื้องต้นนั้นว่า ปุญญาณิปรโกรกตะมิงปฏิถาหุนติปานีนางดังนี้ซึ่งแปลเนื้อความว่าบุญกุศลคือความชอบที่สาธุชนมาประกอบพร้อมด้วยกายวาจาจิตยอมนำมาซึ่งความสุขอันอุกติดดังนี้คำว่าความสุขนั้นบรรดาเราทั้งหลายก็พอจะทราบได้ มีความสบายในทางกายก็เรียกว่าเป็นความสุขมีความสบายในทางใจก็เรียกว่าเป็นความสุขความสุขอันนี้สัตว์ก็ปรารถนาเช่นเดียวกับเราแต่เขาไม่รู้ช่องทางที่จะบำเพ็ญตนให้ไปสู่ความสุขว่าบำเพ็ญอย่างไดจึงจะเป็นไปเพื่อความสมหวังสำหรับมนุษย์ของเรานี้พอมีช่องทางที่จะทาได้ เพื่อจะบำเพ็ญตนของตนให้ไปสู่ความสุขนับตั้งแต่มนุษย์สมบัติคือความเป็นมนุษย์มีความสุขถึงสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติอันเป็นสมบัติอันยอดเยี่ยมและเป็นความสุขอันยอดเยี่ยมด้วยฉะนั้นบรรดาเราท่านคณะศรัทธาทั้งหลายที่ต่างท่านต่างมาบริจาคทำบุญให้ทาน้วยน้าใสใจศรัทธา ที่พร้อมเพียงกันในวันนี้นับว่าเป็นที่นามอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งจะทุกจะจนสักเท่าไหร่ก็ตามคำว่าการบริจาคทานไม่มีการลดละมีความมุ่งนามมุ่งตาที่จะสั่งสมคุณงามความดีใส่ตนเสมอเราเพราะอำนาจแห่งคุณงามความดีที่เราทำลงไว้นี้ จะเป็นเครื่องสนับสนุนบรรดาเราทั้งหลายให้พ้นจากกองทุกขเหล่านี้ไปได้โดยลำดับจนถึงความสุขอันยอดเยี่ยมกล่าวแล้วคือพระมีทานอันเป็นที่อยู่แห่งความ บ, บริสุทธิ์ที่แท้จริงความบริสุทธทิ์ทถึงขั้นสุดยอดนั้นพึงทราบ ว, ว่าไปจากการสังสมคุณงามความดี ดังเราท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้บำเพ็ญในวันนี้คือว่าเราไม่ได้เสียชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในบำเพ็ญคุณงามความดีกับบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายด้วยกันมีน้อยเราก็ทาตามน้อยมีมากทาตามมากไม่เห็นจะความทุกข์ความยากความลำบากไม่เห็นจะสิ่งขัดข้องทั้งหลายมาเป็นอุปสรรคมีความมุ่งอยู่เสมอที่จะ บำเพ็ญคุณงามความดีให้เป็นไปในจิตสัญดานของตนเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วบุญกุศลที่เราจะพึงได้รับย่อมเป็นไปเช่นเดียวกับสาธุชนทั้งหลายโดยไม่ต้องสงสัยเพราะการสร้างคุณงามความดีนี้นั้นสัตว์ดิเดิฉานทั่วทั่วไปเขาไม่มีโอกาสที่จะสร้างได้เหมือนอย่างมนุษย์เราเรามีโอกาส รู้ดีชั่วสุขทุกข์รู้บุญรู้บาปแล้วสร้างคุณงามความดีใส่ตนได้จึงชื่อว่ามนุษย์นี้เป็นมนุษย์ที่มีความเด้เปรียบกว่าบรรดาสัตว์สิริชานทั้งหลายซึ่งเขาไม่มีโอกาสดังนั้นบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ได้มาบริจาคทานในวันนี้ แม้แต่เม็ดหนึ่งขึ้นไปในบรรดาข้าวทั้งหลายที่ท่านคณะสัตยาได้มาบริจาคโปรดได้ทราบว่าได้ฝังไว้แล้วในพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับเราฝังฝากทรัพย์ไว้ในธนาคารต่างๆจะเป็นธนาคารใดก็ตามธนาคารนั้นๆย่อมเป็นผู้ค้ำประกันทรัพย์สมบัติของเรามากน้อยที่ไดฝากไว้แล้วในธนาคารนั้นๆ แต่ธนาคารในเมื่อมีเหตุสุดวิสัยสมบัติของเราที่ฝากไปนั้นอาจจะอันตราธานไปได้แต่ที่เราฝากไว้ในพระพุทธศาสนานี้นั้นยอมเป็นที่แน่นอนที่สุดว่าจะต้องเป็นของเราอยู่ตลอดกับตลอดกันจนกระทั่งถึงในพ้นจากคุกไทรวตาสงสารถึงพระนิพพานเสียเมื่อได บุญกุศลก็ยังต้องส่งเราถึงสถานที่นั้นจนกระทั่งถึงวันนิพพานบุญกุศลทั้งหลายซึ่งเป็นเหมือนบันไดหรือหุนทางนั้นก็ส่งเราถึงสุดยอดตัวเราก็ถึงซึ่งวิมุตติพา น, านสเสวยสุขอันเป็นบร ม, มสุขที่ยอดเยี่ยมเพราะอำนาจแห่ง คุณงามความดีที่เราได้อุตส่าห์สร้างวันณันเล็กวันนัน้อยจนกลายเป็นมหากุศุอันยิ่งใหญ่ยกตนให้พ้นจากทุกทายวัตะสงสารเสียได้นี่อำนาจของบุญเป็นเช่นนี้เราจะจำได้หรือไม่ได้ในคุณงามความดีที่เราสร้างในวันหนึ่งวันหนึ่งนั้นเราไม่ต้องไปวิตกวิจารกับความจดจำในคุณงามความดีที่เราสร้างไว้ จะไม่สูญเสียไปไหนจะเป็นคู่เคียงแห่งชีวิตของเราจิตใจของเราไปตลอดอนันตาการไม่ได้พัดพรากจากเราเหมือนกับสิ่งทั้งหลายที่เคยพัดพรากจากเรามาแล้วซึ่งบรรดาทุกๆท่านก็พอจะทราบได้ในความพัดพรากพันเปรแห่งสัตว์และสังขารทั้งหลายซึ่งเป็นของไม่แน่นอนแต่ส่วนบุญส่วนกุศลนี้ไม่เป็นเช่นนั้น ฉายาเอวะเปรียบเหมือนกันกับว่าเงาเทียมตัวของเราจะไปสู่ทิศใดแดนใดบุญกุศลนี้สามารถจะตามสนับสนุนให้เราได้ไปถึงจุดหมายปลายทางอันเป็นความสวัสดีเสมอไปฉะนั้นบุญกุศลนี้นักปรารถนท่านจึงมีความกระยิ่งยิ่งนักที่จะพยายามสร้างให้มากบูรสมบูรณ์ขึ้นในกายวาจาใจของท่าน จนถึงความพ้นทุกไปเสียอย่างพระพุทธเจ้าของเราและสาวกโรรดได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าที่เป็นสรณะของเราก็ดีพระสงฆ์สาวกที่เป็นสารณะของเราก็ดีท่านถึงความสูงสุดพิเศษไปเพราะอำนาจแห่งบุญกุศลทั้งนั้นบุญกุศลนี้จึงเป็นแก้วสารพัดนึก หรือเป็นแก้วอันวิเศ ษ, เศษสูงสุดในโลกไม่มีอันใดที่จะเทียมเท่าสามารถที่จะปรับปรุงบุคคลผู้มีคุณงามความดีแม้จะอยู่ในภพในชาติก็ให้เป็นผู้มีความสมบูรณ์ภูมิสุขแม้จะเกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายก็มีความสง่าราศีมีบุญญาพินิหารหรือบุญญาพิสมภาน มีความเฉลียวฉลาดมีอุปนิสัยฝังอยู่ที่จิตใจของบุคคลนั้นหากจะได้รับความทุกข์บ้างเป็นบา ง, รบางคราวเพราะอำนาจแห่งกรรมที่ตนทำไว้เป็นรุ่ม ๆ, ๆุมดอนดอก็ตามบุญกุศลอันนั้นยังจะตามสนับสนุนผู้นั้นให้พ้นจากอุปสรรคนั้นๆไปได้โดยลำดับ นี่ขอให้บรรดาท่านทั้งหลายโปรดได้ทราบไว้อย่าได้มีความประมาทในชีวิตของเราชีวิตอันนี้ไม่มีเครื่องหมายอาจจะอันตรท า, านหีล้มตายไปในวันใดก็ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเด็กไม่ได้ขึ้นอยู่กับเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเป็นเท่าเป็นแก่แต่ขึ้นอยู่กับลมหายใจเท่านั้นหากว่าลมหายใจหมดแล้ว ตายคนนั้นเขาก็เรียกว่าคนตายจะเป็นเด็กก็คนตายเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เรียกว่าคนตายเป็นเท่าเป็นแจกหมดนาคาทั้งนั้นที่จะสร้างคุณ ง, งามความดีต่อไปอีกหรือจะสร้างบาปกรรมอะไรต่อไปอีกไม่ได้แล้วนี่ชีวิตจิตใจจึงเป็นของมีคุณค่าสําหรับเราทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่นบบัดนี้จงพยายาม บำเพ็ญคุณงามความดีใ่ตัวของเราเช่นท่านทั้งหลายได้มาให้ทานในวันนี้ได้มาให้ทานในวัดก็โปรดได้ทราบมาทานทั้งหลายได้มาฝากบุญกุศลไว้ให้เป็นมูลนิธิคือฝากธนาคารแห่งพระพุทธศาสนาเอาไว้เช่นเดียวกับเราไปฝากธนาคารจังหวัดไหนๆก็ตามจะใกล้หรือไกลธนาคารนั้นก็เป็นธนาคารแห่งทรัพย์ที่เราฝากไปแล้วนั่นเอง เรื่องของพระพุทธศาสนาก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเราฝากไว้ที่ไหนไม่ได้หลงเจ้าของเหมือนอย่างสัตว์ที่เราเลี้ยงเขาไว้ติดตามสนับสนุนเราไปเสมอเป็นเช่นนี้มาตั้งแต่การไหนไหนเมื่อเรามีชีวิตอยู่เช่นนี้เราควรจะบำเพ็ญตนของตนแม้ที่สุดวันหนึ่งเราไม่ให้ทาน การเจริญธรรนาของเราอย่าให้ขาดเวลาจะหลับจะนอนระลึก ถ, ถึงพุทธโธธรรมโมสังโฆให้หลับกับพุทธโธธรมโมสังโฆในเวลานอนยิ่งเป็นการดีเป็นการสร้างคุณงามความดีได้บุญตลอดนอนหลับตื่นขึ้นมาระลึก ถ, ถึงพระพุทธเจ้า พ, พระธรรมพระสงฆ์เมื่อไรก็ชื่อว่าเราสร้างคุณงามความดีไว้ประจําใจของเราเสมอเสมอ คนนั้นเรียกว่าไม่ขาดทุนผลบุญที่เกิดขึ้นจากทานก็ได้ผลบุญที่เกิดขึ้นจากการภาวนาก็ได้หรือรักษาศีลผลบุญที่เกิดขึ้นจากศีลก็ได้เมื่อปรากฏเป็นผลรายได้ขึ้นมาเหมือน ก, นกันกับข้าวในนาของเรานาแปลงไหนไรไหนก็ออกลวงไปทั้งนั้น ถึงเวลาแก่ก็แก่ไปหมดไรไหนที่เราปลูกเราดำไว้แก่ไปหมดเป็นของเราทั้งนั้นผลเข้ามาในลานผลเข้ามาในยุ่งในฉางเป็นของเราเสียทั้งนั้นนี่เวลาผลปรากฏขึ้นมาเราทําไว้ที่ไหนก็เป็นของเราใกล้ก็เป็นนาของเราไกลก็เป็นนาของเราข้าวทั้งหมดหมดอยู่ในนานั้นเป็นของเราทั้งนั้นรวมเข้ามาในยุ่งในฉางของเรา เป็นสมบัติของเราเสียทั้งหมดนี่บุญกุศลที่เราสร้างไว้วันนั้นวันนี้สร้างไว้เพราะทานบ้างสร้างไว้เพราะการรักษาศีลบ้างสร้างไว้เพราะการภาว น, นาบ้างรวมเข้าแล้วก็เป็นกองบุญอันใหญ่เมื่อกองบุญอันใหญ่เพราะอํานาจแห่งการสั่งสมขึ้นไม่หยุดยัง้งก็กลายเป็นคนหลุดพ้นจากที่เดตอาสวะไปได้เหมือนอย่างพระพุทธทเจ้า กับบรรดาภาษาบอกทั้งหลายท่านให้ชื่อท่านผู้วิเศษเช่นนี้ว่านิพพานคือหมดลมหายใจแล้วท่านไม่ต้องกลับมาเกิดให้ได้รับความทุกข์ความลาบากให้รับความทรมานเหมือนอย่างบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นกันอยู่ทั่วโลกตั่วสงสารถึงพระนิพพานแล้วไม่ต้องมาวกมาเวียนเป็นบร ม, มสุขสุ ข, สขไม่มีอันใดที่จะยิ่งยวดไปกว่าพระนิพพานนี่ อำนาจแห่งบุญแห่งกุศลส่งเราท่านทั้งหลายให้ถึงขั้นนั้นเพราะฉะนั้นตรงพากันมีความยินดีในบุญในกุศลชาตินี้เราก็ขนาดนี้ที่เราเป็นอยู่ขนาดนี้เราจะได้ตําหนิตัวของเราว่าเรามีวาสนาน้อยบางทีอาจเรามีวาสนามากมายแต่ก็เหมือนกันครัว่าเราเดินทางจนจะถึงบ้านแล้ว แต่ก็หนทางไปผูกตรกเสียมั่งหนทางไม่สะดวกจวนจะถึงบ้านอย่างนั้นก็มีเช่นเราจวนจะพ้นจากทุกข์อยู่แล้วแต่ก็เพราะกรรมชั่วมันก็มีกรรมดีเราก็ทำเพราะคนเราย่อมมีความหลงความเพลิเรอเป็นธรรมดาแม้จวนจะถึงเราก็ยังมีความทุกข์ความทรมานอยู่ไม่เป็นเศรษฐีกระดุมพีไม่เป็นคนเฉเดียวฉลาดก็ตามแต่เมื่อพ้นจาก ระยะนี้ไปแล้วเราอาจจะขึ้นสูงยิ่งกว่าภูเขาไปก็ได้นี่มันเป็นของสำคัญอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ประมาทอํานาจวาสนาของกันในกันไม่นำมาแข่งขันกันมีฝังอยู่ที่หัวใจบางคนจะพ้นจากทุกข์อยู่แล้วในชาตินี้ยังต้องเป็นคนตกตะรั่วำบากทุกข์ยากเห็นใจทุกสิ่งทุกประการอย่างนั้นก็มี แต่จะตำหนิว่าคนนั้นมีวาสนาถึงขนาดนั้นทำไมจึงเป็นเช่นนั้นส่วนที่เขาต่ำนั้นยังมีอยู่ภายในใจของเขาซึ่งเขาได้ทำไว้เขาต้องสเสวยส่วนนั้นไปก่อนพอพ้นจากกรรมนั้นแล้วเขาก็ขึ้นสูงได้โดยรวดเร็วเหมือนอย่างบุคคลที่พ้นจากปากหลุมปากบ่อแล้วก็โผล่หน้าขึ้นสูงได้โดยรวดเร็วนี่กรนีมีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราจรึงไม่ควรประมาทวาสนาของเราว่าเกิดในบ้านนอกบ้านดอนใครไม่ได้เกิดในตุ่มในหายให้ทราบกันอย่างนี้เกิดกับท้องของแม่ด้วยกันทั้งนั้นการอยู่สถานที่ไหนที่ใดแล้วแต่กรรมในชาตินั้นจะบรรลบรนดาลให้ซึ่งเกิดหรือมีมาจากการที่เรากระทาไว้มีสูงบ้างต่ําบ้างแต่ว่า หลักสําคัญที่สุดก็คือความเชื่อความเลื่อมใสในพระศาสนามีกับจิตใจของเราหรือไม่นี่เป็นของสําคัญรากนี้เป็นรากสําคัญมากฉะนั้นบรรดาท่านพุทธมามากะ บ, บริจัดทั้งหลายทั้งบ้านใกล้บ้านไกลได้อุตสาห์พยายามมาบริจาคทานได้ให้ทานซึ่งเรียวแรงกำลังให้ทานชีวิตจิตใจของตนฝากไวในพระพุทธศาสนา ขออำนาจแ่งคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้บริจาคด้วยความกล้าหารด้วยศรัทธาที่แท้จริงนี้จงโดนบันดาลให้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงสมความมุ่ง ม, มากปราถนาทุกๆ ท, ท่านโดยในแห่งพระธรรมเทศนาที่แสดงมาวันนี้<อ>ก็เห็นว่าสมควรเจวเวลาจึงขอุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้เอวังก็มีดุยพระกาลัชณี